เอาน่ายอย่าซีเรียกเรื่องเด็กหนุ่มกับสองผู้เท่าเด็ <L Biology> กหนุ่มคนหนึ่งมีนิสัยร้านชอบอวดเก่งเห็นใครทำอะไร เขาก็ทำตามได้และคิดว่าตนเองทำได้ดีกว่าผู้อื่นเสมอวันหนึ่งเด็กหนุ่มเดินเล่นอยู่ริมแม่น้ำพลันสายตาเรือเห็นผู้เท่าสองท่านกำลังนั่งตกปลาแต่ละท่านเต็มไปด้วยมาดเคร่งขรึมแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ชำนาญการตกปลาเป็นอย่างยิ่งเพียงแค่ผู้เท่ากระตุกคันเบ็ดก็เดกปลาทุกครั้ง ทันใดนั้นผู้เท่าท่านหนึ่งลุกขึ้นอย่างรวดเร็วพริบตานั้นเองผู้เท่าท่านนี้กระโดดไปบนผิวน้าทีละก้าวทีละก้าวจนไปถึงฝั่งตรงข้ามเพื่อหยิบเหยื่อปลาแล้วกระโดดทีละก้าวกลับมาที่เดิมและในเวลาต่อมาไม่นานนะักท่านผู้เท่าท่านที่สองได้ลุกขึ้น พร้อมกระโดดทีละก้าทีละก้าวข้าไปฝั่งตรงกันข้ามของแม่น้ำเหมือนผู้เท่าคนแรกนำปลาที่เพิ่งตกได้ใส่คล้องแล้วกระโดดกลับมานั่งที่เดิมเด็กหนุ่มถึงกลับตะลึงไม่คาดฝันว่าผู้เท่าทั้งสองจะสามารถเดินบนผิวน้ำได้เหมือนมีวิชาตัวเบาเด็กหนุ่มเห็นดังนั้น ด้วยความอวดเก่งไม่คิดหน้าคิดหลังจึงลองกระโดดเหมือนผู้เท่าบ้างแต่เขากลับจมดิ่งลงสู่ก้นแม่น้ำทันที2 –ผู้เท่าได้ช่วยเหลือเด็กหนุ่มจนขึ้นฝั่งได้แล้วท่านผู้เท่าท่านหนึ่งมองเด็กหนุ่มด้วยความสมเพชแล้วจึงบอกว่าเจ้าเด็กโง่พวกเรานั่งตกปลาที่นี่มานานานับสิบปี เรารู้ดีว่าที่แม่น้ำตรงไหนมีตอไม้ให้เราเหยียบได้บ้างเราก็เลยกระโดดข้ามไปได้เมือนมีวิชาตัวเบาสามารถเหยียบบนผิวน้ำได้เจ้าเด็กโง่เจ้ายังไม่รู้อะไรเจ้าจะทำตามไดอย่างไรก่อนเด็กหนุ่มจะได้รู้เคล็ดลับของผู้เท่าเล่นเอาเขาเกือบจมน้ำตาย เรื่องนี้สอนว่าการที่จะทำอะไรให้ประสบผลสำเร็จเราต้องศึกษาให้ท่องแท้ว่าผู้ที่เขาประสบความสำเร็จเขามีเคล็ดลับอะไรมีประสบการมาอย่างไรอย่าตัดสินว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันง่ายเหมือนอย่างที่เราเห็นเพราะมันสามารถทำให้เราจมน้าตายได้